เดีวเอาพระสูตรมาอ่านให้ฟังสักสูตรหนึ่งะนะเกี่ยวกับระหว่างในกับเดียวกันคือในกับเนี่ยคือพระเถกับจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในสู่องค์หนึ่งเนี่ยใช้เวลาเนิ่นานานขนาดไหนสําหรับคนที่ไปเมืองราชจะครกมาแล้วไปขึ้นเขาคี้จกูดมาแล้วไปดูเขาเวปุระบรรพศมาแล้วจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่โดยเฉพาะภูเขาคิ้จกูดที่ที่ไปขึ้นไปสวดมนต์กันเนี่ยนะ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 ข้อความในสังยุตตนิกายนิทานวัคเวปุละปะัปผะตะสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนั้นพระองค์ประทับอยู่ณภูเขาคิชกูดกรุงราชครกณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษูทั้งหลายาพิสูเหล่านั้นก็ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหรือว่าพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าดูก่อนพิสูทั้งหลาย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 เชื่อว่าติวราหมู่มนุษย์เชื่อว่าติวรานั้นมีอายุประมาณสี่หมื่นปีหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวรานั้นขึ้นปาจีนวังสะบรรพดเป็นเวลาสี่วันลงก็ลงสี่วันนะผู้เขาลูกนี้นะเวปุระบรนพตปกติวันเนี้ยทุกวันเนี้ยมันขึ้นลงวันเดียวเสร็จแต่เมื่อก่อนเนี้ยนะอายุสมัยคนอายุสี่หมื่นปีแล้วสูงเนี้ยประมาณ4ี่สศอกขึ้นลงใช้เวลาขึ้นสี่วันลงสี่วัน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 ดูก่อนพี่สุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี่แลอันตรทานไปแล้วเมื่อก่อนชื่อว่ า, ป า, วาปาจีนาวังสะบรนทศหมายคาะว่าปาจีนะก็คือภูเขาด้านที่ตะวันออกภูเขาที่ตะวันออกนะของกรุงราชเครกบัดนี้ชื่อภูเขายังเปลี่ยนเลยเป็นอะไรเป็นเวปุระบันทศพวกมนุษย์เหล่านั้นก็ทํากาละตายกันหมดแล้ว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 พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดด้วยอริยมรกจากสังขารทั้งปวงเพียงพอแล้วที่จะหลุดพ้นด้วยอริยผลทั้งหลายอีกเรื่องหนึ่งดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุระบรรพจนี้อดีตชื่อว่าภูเขาวงกฏเขาวงกฏสมัยนั้นแลมูลมนุษย์มีชื่อว่าโรหิตัสะมีอายุประมาณสามหมื่นปี มนุษย์ชื่อว่าโรหิตะขึ้นเขาวงกฎใช้เวลาสาวันใช้เวลาขึ้นภูเขาลูกนี้ขึ้นสมวันใช้เวลาลงอีกสมวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามณนะสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกถามว่าขึ้นเขาวันหนึ่งเนี่ยปกติรวมๆขึ้นเขาวันหนึ่งขึ้นได้กี่กิโล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 อย่างสองพันกัปีเนี่ยแผ่นดินถ้าสมมติถ้าจะขุดของเก่ามันต้องขุดลงไปใช่ไหมถ้าจะดูของเก่าแผ่นดินมันก็ถามว่ามันสูงขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมบอกใช่มันสูงขนาดไหนสูงขนาดขึ้นเดินคุณเดินขึ้นหนึ่งวันลงหนึ่งวันอ่ะจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งอ่ะใช้เวลานานเท่านั้นนะก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าใครจะรอพระศรีอริยะเมตรัอ่ะนะก็ต้องบอกว่าอยากจะบอกว่ามีสเสบียงไหมที่จะนั่งรอนอนรอนี่นะมีค่าที่พักอาศัยพอไหม นะมียดยานพอรนะมีพวกยารักษาโรคแก้ป่วยแก้ไข้แก้หวัดแก้หนาวว่างหรือเปล่าเนี่ยนะที่จะรอรอเนี่ยนะอันนะั้นะนะในสมัยพระพในสมัยที่คนมีมนุษย์อายุสามปึกหมื่นปียุคนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณนะพระองค์นั้น่นะมีคู่อักขระสาวกเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าพริโยสะและอุตระดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิด ชื่อภูเขานั้นแหลก็อันตรฐานไปแล้วภูเขาวงกฎชื่อนั้นก็หายไปแล้วเนี่ยนะมนุษเหล่านั้นชื่อว่ามนุษย์พวกอะไรโรหิตตะพวกมนุษเผ่าเหล่านั้นก็เสร็จสิ้นตายไปหมดแล้วทํากาละไปแล้วแม้แต่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกนาคมนณะพร้อมทั้งพราษาวกกปรินิพานแล้ว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 ดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุระบรรพจนนี้มีชื่อว่าสุ ป, ปัสระ น, นะนะชื่อว่าสุ ป, ปัสระบรนพจนสมัยนั้นหมู่มนุษย์ชื่อว่าสุ ป, ปิยาในยุคนั้นมีมนุษย์มีอายุประมาณสองห0ื่นปีหมู่มนุษย์ที่ชื่อว่าสุ ป, ปิยาขึ้นสุ ป, ปัสระบรรพจนใช้เวลาขึ้นสองวันใช้เวลาลงก็สองวัน สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้มีคู่อักระสาวกคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าติดสะและภาระทวาระดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอจงดูเธอชื่อแห่งภูเขานี้ก็ภูเขานี่แลชื่อก็เปลี่ยนอันตธานไปแล้วภูเขาชื่อว่าสุ ป, ปสัสสะก็เปลี่ยนไปแล้วมาเป็น เวปุระไปแล้วไม่เหลือสุปนะัสสะแล้ววงั้นหมู่มนุษเหล่านั้นมนุษย์พวกกลุ่มสุปิยาตายเกลี้ยงเลยนะเท่านั้นไม่เหลือเลยนะพวกสุปิยาเนี่ยตายไปหมดแล้วเนี่ยนะก็ทำใจไว้เถอนะถ้าอยู่ถึงร้อยปีเนี่ยนะยังหวังว่าไม่เจอกันตอ น, น, นอายุร้อยปีนะ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 ันวิธีเจริญวิปัสนาอนิจจังนี่อย่าไปอนิจจังแบบประยิบประยับละเอียดยิบเลยนะนะให้มันคิดเรื่องใหญ่ๆโตๆให้มันเข้าใจก่อนนี่ยนะก็ว่าละเอียดซะจนอนุนี่รู้หมดแต่ว่าใหญ่ๆมองไม่เห็นน่ยนะปลาเนี่ยมีเกล็ดกี่ตัวเกล็ดเนี่ยเห็นหมดแต่ว่าปลาเป็นยังไงรู้จักไหมหรอกไม่รู้รู้จักเกล็ดปลาเนี่ยนะร่างกายก็เหมือนกันรู้จักว่าเล็บมันเป็นยังไงแต่ว่าคนหน้าตาองค์รวมเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เรียนแล้วเป็นอย่างไรอริยสัตว์ก็เหมือนกันรู้ว่ามันไม่เที่ยง แต่ว่าเอ๊ะเกิดแก่เจ็บตายแบบปรยใหญ่เนี่ยก็รู้อยู่แล้วแต่ไม่เคยเอามาคิดอย่างเงี้ยนะมึงก็ต้องพยายามคิดใหญ่ๆอย่างที่พระองค์แนะนําก่อนว่ะนะแม้กระทั่งเหตุการณ์ใหญ่ๆนะเหตุการณ์เหล่านั้นยังพันแปรเปลี่ยนไปแล้วที่ละเอียดละเอียดจะไปเหลือได้อย่างไราะก็ให้ดูใหญ่ๆไว้ก่อนถ้าเห็นภาพรวมแล้วย่อยๆไม่ยากเลยนะ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 อย่างภาษาภาษาที่เราเรียนในพระไตรปิฎกเช่นเอวเมสุตังเอกังสมายังพระกวานี่เป็นภาษาของชาวมคตเรียกว่ามาคทะนาะมาคทีเนี่ยนะภาษาของชาวมคตแต่ว่ามนุษย์เหล่านั้นชื่อว่าพวกมคตมคธมคตเนะไม่ใช่มคตแบบคดต่อเตานะคดทอทงอ่ะหมู่มนุษย์ที่ชื่อว่ามาคาทะพวกนี้เนี่ยอายุน้อยนิดเดียว ผู้ใดมีชีวิตอยู่ยืนนานผู้นั้นก็ประมาณร้อยปีน้อยกว่าก็มีเกินกว่าก็มียุคร้อยปีเชื่อไหมพวกมนุษย์พวกร้อยปีขึ้นเขาเวปุระบันพตครู่เดียวหมายว่าอยู่ตรงนั้นนะลงมาบินทบาทและกลับไปฉันบนนั้นได้อะถามว่าโอ้โหแผ่นดินมันหนาขึ้นขนาดไหนเนี่ยนะสมัยนั้นคนอายุ2 0,000 ปีสูงอย่างน้อย2ีศอกก็คือสูง10เมตรเนี่ยนะท่านขึ้นสองวันลงสองวันอะ่ะใช้เวลานานขนาดนั้นอะ่ะ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 เป็นเมืองที่ยักดูแลเป็นนครแห่งเปรตว่ากันเปรตทั้งเปรตจริงแล้วก็เปรตคนที่แกล้งเป็นเปรตเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะไปขอทานอยู่ตรงนั้นนะขาขึ้นขาลงก็จะมีอยู่ข้างทางพันก็แล้วก็เปรตจริงๆด้วยเนี่ยนะเพราะว่ามันก็มีหลายยุคหลายสมัยด้วยกันเพราะฉะนั้นมนุษย์ยุคพุทธกาลนี่มีใครเหลือบ้างใครไปไปนั่งคุยลงเรื่องไปเจอบ้างไหมว่าเขาเกิดในสมัยพุทธกาลเนี่ยบัตรนี้ไปเจอไหมยุคนั้นเหลือไหมหรอกไม่เหลือแล้ว มนุษย์เหล่านั้นทํากาละหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ปรินิพานแล้วบัดนี้ที่เราไปเนี่ยนะเหลือแต่ว่าร่องรอยว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยมาประทับแถวนี้บริเวณเนี้ยเนี้ยชี้อย่างนี้แหละนะครับจุดเนี้ยใครจะกาวชี้ว่ามันตั้งสองพันกว่าปีแล้วนะสังขารทั้งหลายก็ไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายก็ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้ ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบือหน่ายในสังขารพอทีเดียวเพื่อจะคลายกำหนัดจากสังขารพอทีเดียวเพื่อจะหลุดพ้นจากสังขารเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสวยากรณภาสิทธนี้จบลงแล้วก็แั่เป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่าปาจีนะวังสะบรรพจน์ของหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวระ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 หลังจากนั้นไปชีวิตบางพวกก็60ปี80ปียังไม่ถึง100ปีก็มีก็ตายแล้วแล้นะไม่ถึงร้อยปีก็ตายเยอะกว่าถึงร้อยใช่ไหมยอย่างยุคนี้ถึงร้อยนี่แหมหาทําอยู่ทาำยากมงนั้นหาไว้กราบไว้ไว่ายให้เป็นแบบอะไรนะถ้าอยากจะทําบุญกับคนชราอายุร้อยปีขึ้นเนี่ยนะอยากจะเลี้ยงท่านสักห้าร้อยท่านเนี่ยนะไม่รู้จะรวบรวมนั่งประเทศได้ครบหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะหาหาคุณคุณตาคุณยายที่อายุร้อยปีขึ้นไปมารวมกันเนี่ยจะให้ลูกให้หลานได้กราบได้ไหวอย่งเนงะหายากมาก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 ผู้ที่อายุน้อยนะกว่าปีขึ้นไปในช่วง10ถึง25ปีเนี่ยก็ถือว่าตายเยอะมากถ้าเมื่อก่อนเลยอายุก่อน10ปีเนี่จะตายมากปัจจุบันนี้อายุ10ปีถึง25ปีเนี่ตายค่อนข้างมากถามเพราะอะไรเป็นวัยคนองนะนะ ต่อไปว่าคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพนาว่ากะ ก, กูสันทะบังเกิดในเวลามนุษย์อายุสี่หมื่นปีพระผู้มีพระภาคเจ้าพนาว่ากโกนาคามนะบังเกิดในเวลาที่มีมนุษย์มีอายุสามหมื่นปีท่านจัดให้เป็นความเสื่อมตามลําดับแต่อย่าไปคิดว่าหมายความว่าโอ้ช่วงมนุษย์สี่สี่หมื่นปีพระพุทธเจ้ากากูสันทะลดมาถึงสาม 0,000 ื่นปีพระพุทธเจ้าโกนาคามนะลดมาเหลือสองห0ื่นปีพระพุทธเจ้าพนาว่ากัสปะเกิดขึ้นแล้วลดมาถึง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 ถ้าเลขศูย์หนึ่งตัวเรียกว่าสิปีเลขศูนย์สองตัวเรยียกว่าร้อปีเลขศูนย์สาตัวเรียกว่าพันปีเลขศูนย์สี 0, 5, ต่ตัวเรียกว่าหมื่นปีเลขศูนย์ห้าตัวเรียกว่าแสนปีหตัวเรียกว่าล้านปีถ้าเลข0ูนย์รตัวละ่ะเขาบอกเลิกนับแปล ว, ว่าสงไข่บอกพอแล้วพอแล้วไม่ต้องนับเผื่อ น, นับหนึ่งใหม่ดีกว่านี่นะก็เลยเรียกว่าสงไข่ปีขึ้นไปจนถึงอสงไขยปีแล้วก็ลดลงมาลดลงมาลดลงมา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 โอ้ยมีกําลังมากเขายังไม่ทันด่าเราเลยเราไม่สบายใจแล้วเนี่ยนะเขายังไม่ทันว่าอะไรเลยเนี่ยนะเพะันพร้อมที่จะไม่สบายใจหมายความว่าพร้อมที่จะโกรธก็ได้พร้อมที่จะเครียดก็ได้พร้อมที่จะอึดอัดเพราะยังไงเห็นชรามรณะยังไงก็ไม่เห็นอริยศาสตร์เป็นต้ น, ตนเพราะไม่ได้น้อมไปเพื่อจะเห็นอริยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้แหละอวิชาก็แก่กล้าขึ้นตางกั้นขึ้นทําให้ไม่เห็นสัจจะความวิปลาสก็มากขึ้นวิปลาสว่าเที่ยงว่าสุขว่ายั่งยืน บางทีนะยิ่งอายุมากขึ้นใบไม้แม้ใบเดียวตกยังเดือดร้อนเลยวพรางั้นนะกลายเป็นคนที่เราคิดเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นแหละนะเขาไม่เก็บใบไม้นิดเดียวก็อู้จะป่วยจะตายให้ได้นะละจะกลานี่ใบไม้นะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นหมดนะเพราะลูกหลานมาผิดเวลานิดเดียวก็ป่วยอีกแล้วนะพร้อมที่จะไม่สบายใจเพราะอวิชชาเนี่ยปกปิดกลางกัน้นทําไม่ให้เห็นอริยสัจ ท, ทั้งหลายเพราะฉะนั้ชาตินี้สะสมอวิชชาไว้เท่านี้ชาติหน้าอาวิชชามันโตขึ้นอีกหน่อย มันก็แกแกร่งขึ้นแกร่งขึ้นพบแล้วพบเล่าก็เลยมืดสนิทไม่พอที่จะมองเห็นอริยสัจจะธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเกิดขึ้นในยุคสมัยที่มีคําสอนทําให้รู้ดีรู้ชั่วนนรู้สีดําสีขาวนนดีก็คือสีขาวดําก็คือชั่วเนี่ยนะชั่วมันเรารู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งวัฏตะอะไรเป็นเหตุแห่ง วิวัตะตั้งจิตไว้อย่างไรเนอะวิวัตต์จึงจะเจริญตั้งจิตปฏิบัติตนเช่นใดเนอนะจึงจะทําที่สุดแห่งถูกผลสิ่งที่เราค่อนข้างาหวังเอาไว้เสมอว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำใดขอเราได้ตรัสรู้ทำเช่นนั้นบ้างทีนี้พอเรามีความคิดว่าขอเราได้ตรัสรู้ทำตามพระพุทธเจ้าบ้างและพระองค์สร้างบารมีอย่างไรจึงได้เป็น พระพุทธเจ้าพราะองค์ตรัสรู้อย่างไรตรัสรู้อะไรสอนอย่างไรแล้วเราจะเห็นธรรมเหล่านั้นได้อย่างไรเบัดนี้ถ้ายังไม่เห็นทําบุญแต่ละครั้งว่าบุญกุศลทานศีลภาวนานเราใดที่เจริญขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปัจจยัยให้ได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายก็เดินวงกลมนนะเดินวงกลมเรียกว่าอะไรนะเคยเห็นวัวหีบอ้อยไหมครับเราจะมีแท่นแท่นแท่นอยู่สอง อันจะใหญ่เนี่ยนะมันก็จะเอาไว้หมุนเขาก็ให้วัวเนี่ยเดินรอบรอบตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยนะเช้าจดเย็นจนเขาบอกว่าวัวที่เดินรอบหีบเนี่ยรอบหีบอ้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัวเพี้ยนไปเลยอ่าไม่เชื่อก็ลองให้เดินรอบเก้าอี้รอบตัวเดียวเนี่ยนะเดินทั้งทุกวันทุกวันทุกวันกลายเป็นคนเพี้ยนไปเลยนะมันเมาอ่ะเพราะงั้นอ่ะสังสารวัตรนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เลยเมากันไปหมดเลยครับเนี่ย เมาไม่รู้แล้วก็หลงทิศหลงทางหลงดีหลงชั่วหลงอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลหลงกรรมหลงของผลของกรรมวางของทักเดียวก็ลืมแล้วเนี่ยนะมันเบลอขนาดนั้นมันเลอะเลือนไปขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะสงสารน่นะสงสารเน้อว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่มี